กริมพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาตักตวงประโยชน์สุขที่พระพุทธศาสนาได้ มอบไว้ให้กับพวกเราเป็นประโยชน์สุดที่สูงสุดเป็นประโยชน์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถมอบให้ได้งั่นก็คือมรรคผลนิพพานการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่สามารถมอบมรรคผลนิพพานมอบการสิ้นสุด แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้แก่พวกเราได้เพราะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถค้นพบวิธีที่จะปฏิบัติให้ไปถึงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้คนอื่นนี้จะไม่มีบารมีพอที่จะสามารถเห็นความจริงเห็นทาง ที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ได้ต้องเป็นคนระดับโพธิสัตว์เช่นพระพุทธเจ้าเท่านั้นดังนั้นศาสนาอื่นศาสดาของศาสนาอื่นจึงไม่มีใครสอนให้ไปถึงพระนิพพานได้สอนได้อย่างมากก็ให้ไปถึงสวรรค์ชั้นโผล่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถมีปัญญาอย่าง รู้ถึงทางที่จะนำพาสัตว์โลกให้ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงปฏิบัติและบรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระ อ, องค์จึงได้นำเอาสิ่งที่พระ อ, องค์ทรงรู้ทรงเห็นนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่มีจิตศรัทธา มีความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายได้เกิดได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันตสาวกเป็นจำนวนมากเป็นผู้ที่ยืนยันและรับรองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสว่าดขาวโตพระกวตาธรรมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามความจริงทุกประการ ไม่มีความเท็จซ่อนเล่นอยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยพวกเราชาวพุทธจึงมีความเชื่อมั่นได้ร้อยเปอร์เซนว่าถ้าได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติแล้วผลที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลของพวกเราเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปกรณิพานไปเป็นเวลานา น, านถึง 2,500 กว่าปีแล้วกระตางแต่พระธรรมคำสอนที่เปรียบเหมือนาศาสดาที่เปรียบเหมือนผู้แทนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ในโลกนี้และเป็นธรรมคําสอนที่เป็นอากาลิโกคือมีประสิทธิภาพตลอดเวลาไม่ว่าจะ เป็นในยุคของพพระพุทธเจ้าก็ตามหรือในยุคของพวกเราก็ตามพระธรรมคาสอนคือประสิทธิภาพของพระธรรมคาสอนที่จะยังสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้ยังมีมียังมีประสิทธิภาพเต็มร้อยเหมือนเดิมเหมือนในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ถ้าผู้นี้น้อมนำเอาไปปฏิบัต ปฏิบัติด้วยสุปฏิปันโนผู้ชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนผู้นั้นย่อมจะได้รับผลอย่างแน่นอนดังที่พระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับผลกันมาแล้วท่านเหล่านั้นเป็นพระสุปฏิปันโนทั้งนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างเต็มที่ นี่คือประโยชน์สุขที่พวกเราพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาพวกเราจึงไม่ควรปล่อยเวลาอันมีค่านี้ให้ผ่านไปเพราะชีวิตของเรานี้มีแต่จะสั้นลงไปเรื่อยๆ เ, เวลาที่จะตักดวงประโยชน์สุขจากพระพุทธศาสนานี้ก็จะมีเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆขอให้เราคิดว่าเปรียบเทียบ ว่าตอนนี้เหมือนกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดตู้เก็บเงินเก็บทองให้พวกเรานี้เข้าไปหยิบเอาตามสบายใครต้องการเงินต้องการทองเท่าไหร่ก็เชิญหยิบได้นี่ก็คือพอพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นเหมือนเป็นที่เก็บเงินเก็บทองคือเป็นที่เก็บมรรคผลนิพพาน แลก็พระพุทธเจ้าก็ทรงเปิดกว้างไม่ห้ามให้ใครไม่ให้เข้าไปก็องทรงเปิดกว้างให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นคาวาสเป็นนักบวชเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปหยิบเอามรรคผลนิพพานมาเป็นสมบัติของตนได้ดังนั้นเราจรึงไม่ควรที่จะปล่อยให้เวลา มันผ่านไปหมดไปถ้าเกิดเราตายไปแล้วก็เหมือนกับถูกเขาห้ามไม่ให้เข้าไปในห้องเก็บของนั่นแล้วเพราะว่าเราหมดเวลาของเราแล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆให้เรเลึกถึงว่าร่างกายของเรานี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับเป็นธรรมดา และจะดับเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เราจึงต้องคิดเสมอว่าเราอาจจะตายไปในวันนี้หรือในวันพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าเราไปหาหมอแล้วหมอตรวจโรคพบว่าเรามีโรคร้ายจะต้องตายภายในสามเดือนเราจะทาอะไรเรายังจะดาเนินชีวิตอย่างที่เราเคยดาเนินอยู่หรือว่าเราจะรีบ เล่งสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเราจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะพึ่งได้ที่จะเอาติดตัวไปกับเราได้มีแต่บุญกุศลที่เราปฏิบัติตามคำสอนของพพ ร, ระเจ้านี้เท่านั้นที่เราจะเอาติดตัวกับเราไปได้ที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ที่จะทำให้ใจของเรานั้น ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ดังนั้นขอให้เราคิดว่าเราเพิ่งไปหาหมอมาเมื่อวานนี้แล้วหมอก็บอกว่าเรามีเวลาเหลืออีกเพียงสามเดือนถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่ประมาทนอนใจเราจะรีบทำประโยชน์ที่แท้จริงของเราประโยชน์ต่างๆที่เราทำทุกวันนี้เป็นประโยชน์ปลอมเพราะว่ามันไม่เป็นของเรา เราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้พอร่างกายนี้ตายไปประโยชน์ต่างๆที่เราทำไว้ในโลกนี้ก็จะกลายเป็นของผู้อื่นไปหมดเวลาตายไปนี้เราเอาอะไรไปไม่ได้เลยเอาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปไม่ได้เอาสามีเอาภรรยาไปไม่ได้เอาบุตรทิดาไปไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้ สิ่งที่เราเอาไปได้คือบุญหรือบาปที่เราทำเอาไว้ถ้าเราทำบุญเราก็จะไปสู่สุขคติถ้าเราทำบาปเราก็จะไปสู่ทุกขคติไปสู่อบายถ้าเราปฏิบัติอย่างเข้มข้นจนสามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็จะไปพระนิพพานไปสู่ที่มีแต่บรมณสุขปรมังสุขขัง นิบบานังปรมังสุ ข, ขังนั่นหละคือที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายประทับอยู่และกำลังรอพวกเราอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายไม่ได้หายไปไหนครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านจากเราไปนี้ท่านไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ท่านไม่กลับมาหาเราเท่านั้นเพราะท่านไม่ต้องการจะกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกนั่นเอง ท่านจึงอยู่รอพวกเราอยู่ที่พระนิพพานพระนิพพานนี้เป็นที่ที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ดังนั้นพวกเราควรที่ขวนขวายจักตัวประโยชน์สุขที่เราพึงจะได้รับจากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่ได้มาเป็นมนุษย์ ถึงแม้จะได้มาพบกับพระผู้ศาสนาก็จะไม่ได้รับประโยชน์เช่นสุนักที่มาอาศัยศาสนาอยู่เขาก็ได้เพียงแต่ความปลอดภัยในชีวิตได้มีที่หลบภัยได้มีอาหารรับประทานแต่เขาจะไม่สามารถที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่มีมนุษย์นี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถศึกษาพระธรรมคําสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพื่อให้บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานบรรลุ ถ, ถึงปรามังสุขขังบรมสุขได้มีพวกเราเท่านั้นพวกเราจึงไม่ควรที่จะ ปล่อยโอกาสอันดีเลิศนี้ให้หลุดมือไปไม่ฉะนั้นก็จะเป็นจะเป็นการเสียชาติเกิดคือได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับสิ่งที่วิเศษที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่สนใจใยดีไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเราก็จะเสียโอกาสอันดี เสียประโยชน์อันเลิศไปเราก็ย่าต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกหลายแสนหลายล้านชาติกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอันใหม่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้พบหรือไม่เพราะจังหวะที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับจังหวะของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้อาจจะไม่ตรงกันก็ได้ อาจจะเป็นเวลาที่เราอยู่ในอบายก็ได้หรืออยู่ในสวรรค์ก็ได้ดังนั้นชาตินี้จึงถือว่าเป็นชาติที่ดีที่สุดเลิศที่สุดเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนานานจะมีโอกาสอย่างนี้สักครั้งหนึ่งถ้าเราพลาดโอกาสอันนี้ไปแล้วเราไม่รู้ว่าจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกอกี่แสนกี่ล้านชาติด้วยกันน้ำตาที่เราจะต้องหลัง่ง จากการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี้อาจจะมีเท่ากับน้ำในมหาสมุทรอีกก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้แล้วว่าน้ำตาที่พวกเราได้หลั่งกันมาในแต่ละพบแต่ละชาตินี้ถ้ามารวมกันแล้วนี้มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรซะอีกคิดดูกัและกันว่าเราจะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายมากน้อยเพียงไรร้องไห้มากน้อยเพียงไร ถึงจะได้มีน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราอย่าประมาทให้เจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงถามพระอานนุ์ว่าอา น, นุ์วันหนึ่งนี้จะเจริญมรณะนุสติมากน้อยเพียงไรพระอานุนกราบทูลตอบไปว่าวันหนึ่งข้าพระเจ้าก็ระลึกถึงความตายประมาณสี่หครั้งด้วยกันเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอานอนท์เธอยังประมาทอยู่ถ้าเธอไม่ประมาทเธอจะต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยเพราะถ้าเธอระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกจะทําให้เธอเบื่อนายกับความโลภความโกรธความหลงเบื่อนายกับการหาราบยศสรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกร่างกายที่ไม่ใช่เป็น ความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะต้องสูญหมดไปหลังจากที่ตายไปแล้วตายไปก็จะไปมือเปล่ า, ปลาไปแบบขอทานไม่ได้ไปแบบเศรษฐีถ้าเราเลิกถึงว่าเราจะต้องตายแล้วสิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้ก็คือบุญกุศลแล้วเรามาเล่งทัสร้างบุญสร้างกุศลเวลาเราตายไป เราก็จะมีบุญกุศลซึ่งเป็นเหมือนกับทรัพย์ของเราไปเราก็จะไปแบบเศรษฐีถ้าเรายังไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้เราก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราทำบุญให้ทานอย่างสม่าเสมอแล้วก็รักษาศีลห้าได้อย่างสม่าเสมอเวลาตายไปเราก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพ ถ้าเราสามารถนั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบเราก็จะไปเกิดเป็นพระเป็นพรหมได้แต่สวรรค์ชั้นเทพและสวรรค์ชั้นพรหมนี้ mm hmm. ก็ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตา mm hmm. ก็คือต้องเสื่อมสภาพหมดไปได้เหมือนกับภพบชาติของมนุษย์เทวดาก็มีการเสื่อมไปหมดไปพรหมก็มีการเสื่อมไปหมดไป พอบุญของพลหมดของพรหมดก็จะเสื่อมลงมาเป็นเทพพอบุญของเทพหมดก็จะเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ต้องมาสร้างบุญบารมีใหม่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครสั่งสอนก็อาจจะไปทำบาปทำกรรมเพราะไม่รู้ว่ามีผลตามมา พอทำบาปทำกรรมแล้วพอตายไปทีนี้ก็จะต้องกลับไปเกิดในอบายแล้วต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างต้องไปตกนรกบ้างนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของสามโลกทั้งหลายถ้ายังไม่สามารถปฏิบัติธรรมขั้นสูงกว่าขั้นสมาธิได้ก็ยังจะต้องขึ้นขึ้ น, นลงลงในภพต่างๆ แต่ถ้ามีพระพุทธศาสนามาปรากฏแล้วนำทาขั้นสูงสุดคือโลกุตระธรรมมาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกถ้าผู้ที่มีสมาธิแล้วฟังและนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถบรรลุโลกุตระธรรมขั้นต่างๆได้เริ่มไปตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอาหารหันต์ ผูท้ที่ได้เข้าสู่ขั้นโลกุตตระธรรมแล้วคือขั้นพระโสดาบันแล้วจะไม่ต้องมีวันเสื่อมกลับลงมาอีกรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเสื่อมถ้าเป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมกลับลงมาเป็นปุตุชนถ้าเป็นสกิรดาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นโสดาบันถ้าเป็นอนาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นสกิรดาคามี ถ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็จะไม่เสื่อมกลับลงมาเป็นพระอน า, าคามีนี่คือความวิเศษของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีเพียงพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสอนให้แก่เราได้ศาสนาอื่นสอนให้เราทําบุญให้ทานให้เรารักษาศีลให้เราทําใจให้สงบทําใจให้เป็นสมาธิแต่ไม่มีศาสนาใดที่สอนให้เรา ตัดกิเลตันหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าความอยากนี่แหละที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายเป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเวลาสัตว์โลกเกิดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากแทนที่จะไปดับความอยาก กลับไปแก้ความอยากด้วยการทำตามความอยากเช่นเวลาหงุดหงิดใจอยากจะดื่มสุราก็แทนที่จะหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปอยากดื่มสุราก็กลับไปดื่มสุราแทนพอไปดื่มสุราแล้วความอยากก็หายไปเพียงเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็หวนคืนกลับคืนกลับขึ้นมาใหม่และจะมีกำลังมากกว่าเดิมเคยดื่ม ครั้งละหนึ่งแก้วก็ต้องเป็นสองแก้วเป็นสามแก้วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนร่างกายไม่สามารถดื่มได้คือดื่มจนเมาจนไม่สามารถลุกเห้นเดินไปไหนได้นี่คือความอยากจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราทําตามความอยากความอยากจะเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นไปจะมีกำลังมากขึ้นจะอยากได้มากขึ้นเช่นโบราณท่านสอนไว้ว่า พอมีคือก็อยากจะได้สอกพอมีสอกก็อยากจะได้วานี่คือเรื่องของความอยากถ้าเราไม่ต้องการให้ความอยากฉุดลากให้เราไปหาความทุกข์หาสิ่งต่างๆเราก็ต้องฝืนความอยากเราอย่าทำตามความอยากถ้าเราฝืนความอยากแล้วครั้งต่อไปความอยากก็จะอ่อนกาลังลงเช่นครั้งนี้เราอยากจะดื่มสุรา เราก็กัดฟันทนไม่เหลือ่อมลาถ้าเรามีสมาธิหรือทำสมาธิได้เราก็เข้าไปนั่งในสมาธิแทนความหมดหดลาคาญใจก็จะทุเลาลงบรรเทาได้ด้วยการทำใจให้สงบแล้วพอครั้งต่อไปเกิดความอยากอีกเราก็ฝืนอีกเมื่อเราฝืนบ่อยๆเข้าความอยากก็จะอ่อนกำลังไปและหมดไปได้ในที่สุด เมื่อล้มเมื่อหมดความอยากแล้วต่อให้เราเห็นสุรายาเมากี่กี่ครั้งเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยต่อให้คนเอาเอาสุรามีราคาแพงแพงมาให้เราเราก็จะไม่รู้สึกอยากจะดื่มพอเราเห็นโทษของความอยากพอดื่มสุราไปแล้วมีโทษหลายอย่างโทษทั้งทางร่างกายโทษทั้งทางจิตใจเสียเงินเสียทองเสียเวลา ไม่เดื่มแล้วแสนจะสุขแสนจะสบายนี่คือความจริงที่พวกเราไม่รู้กันถ้าไม่มีพระเจ้ามาตัดสรุปแลวมาสอนพวกเราพวกเราก็จะทำตามความอยากดังนั้นก่อนให้พวกเรามาปฏิบัติสร้างกำลังใจให้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาความอยากต่างๆด้วยอุบายที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือ ให้ทำบุญให้ทานเพราะการให้ทานนี้ก็เป็นการตัดความอยากเช่นเราอยากจะเอาเงินไปเที่ยวเราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวซื้อของแล้วมาทำบุญแทนความอยากไปเที่ยวมันก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วทำบุญก็จะทำให้เรามีความเมตตาจะทำให้เรารักษาศีลได้ถ้าเรารักษาศีลไม่ได้ ใจของเราก็จะวุ่นวายจะมีความทุกข์แต่ถ้าเราทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆใจของเราจะมีความเมตตาจะไม่ชอบเบียดเบียนจะไม่อยากทำบาปเราก็สามารถจะปิดประตูของอบายได้ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วใจที่มีศีลก็จะเป็นใจที่สงบทำให้เรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ พอใจของเราสงบแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเช่นอยากสูบรุรีอยากดื่มสุราอยากไปเที่ยวอย่างนี้เราจะมีกำลังที่จะต่อสู้ถ้าเรามีสมาธิมีความสงบเราจะหยุดความอยากมีอยากเป็นได้เช่นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตเพราะว่า เรามีสิ่งที่ดีกว่าคือความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้มีเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายก็จะทําให้เราไม่มีความทะเยอยานอยากอยากจะเป็นนายกอบต อ, อยากจะเป็นนายกเทศมนตรีอยากจะเป็นสอส อ, อยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นนายกหรืออยากจะเป็นอะไรมันจะไม่มีอยู่ภายในใจเพราะเห็นสภาพของ การิ่นลุนต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้นี้มันแสนจะเหนื่อยแสนจะลำบากยากเย็นและทุกข์ไปเปล่าๆได้มาแล้วก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจได้ไม่เหมือนกับความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิเราก็จะมีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากคืออยากมีอยากเป็นได้ และเราก็จะมีกําลังต่อสู้กับความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่เป็นอย่างไรก็คืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายคนที่ต้องไปเสริมสวยไปย้อมผมไปทําสัญญกรรมตกแต่งเป็นพวกที่ยังมีความอยากไม่แก่อยู่เพราะเขาคิดว่าจะทําให้เขามีความสุขทุกครั้งเวลาเขามีความทุกข์ เวลาที่เห็นหน้าของเขาเหี่ยวย่นเห็นผมของเขาขาวเขาก็เลยต้องไปทำตามความอยากไม่เป็นคืออยากไม่แก่ด้วยการไปทำสัญญกรรมตกแต่งด้วยการไปย้อมผมแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วและเรารู้ว่าการไปต่อสู้กับความแก่นี้เป็นการเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะว่าเราจะไม่มีวันชนะความแก่ได้ ร่างกายนี้มันจะต้องแก่ของมันไปเรื่อยๆเราไม่มีวันที่จะสามารถยับยั้งความแก่ได้ดังนั้นการไปทำสัญญกรรมหรือการไปย้อมผมทำอะไรต่างๆนี้เป็นการเสียเวลาเปล่าๆสู้มายอมรับความจริงดีกว่าว่าความแก่นี้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรายอมรับความจริงเราก็จะฝืนความอยากไม่แก่ได้หยุดความอยากไม่แก่ได้ ใจของเรามีความสงบเราก็จะมีความสุขไม่ว่าร่างกายเราจะแก่หรือไม่กระตามเช่นเดียวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราจะทุกข์ทรมานใจมากแต่ถ้าเรามีความสงบเราทำใจให้นิ่งแล้วปล่อยวางอย่าไปอยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปอยากให้หายเวลาเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป รักษาได้ก็รักษาไปแต่อย่าไปให้มันหายทันทีทันใดเพราะว่ามันจะทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้จะทรมานมากกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายแต่ถ้าเรามีสมาธิและมีคำสอนของพระพุตตเจ้าคือปัญญาที่สอนให้เรารู้ว่าความไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจ เราก็จะระงับความไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะระงับความอยากให้มันหายไปเร็วๆแล้วก็รักษาไปตามสภาพจนกว่ามันจะหายไปเองในขณะที่ไม่หายใจเราก็สงบมีความสุขไม่เดือดร้อนเช่นเดียวกับความไม่อยากตายทุกครั้งที่เราคิดถึงความไม่อยากตายเราก็จะทุกขขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราเอาคำสอนของพระเจ้ามาสอนใจว่าไม่มีใครไม่ตายทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องตายแต่สิ่งที่ตายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราคือใจเราเป็นผู้มาครอบครองร่างกายเป็นผู้ปกครองของร่างกายเราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับความตายของร่างกายถ้าเราเดือดร้อนเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าเราวางใจให้สงบเฉยได้ เราก็จะไม่ทุกข์กับความตายนี่คือวิธีดับความทุกข์ต่างๆถ้าเรามีปัญญาของพระพุทธเจ้านั่นมีสมาธิรับรองได้ว่าเราจะสามารถดับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากความอยากทั้งสามประการนี้ได้คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็น เรียกว่าวิภาวะตันหาถ้าเราดับลนะความอยากทั้งหลายนี้ได้ความทุกข์จะไม่มีภายในใจของเราและพบชาติก็จะไม่มีภายในใจของเราอีกต่อไปเราจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอีกต่อไปนี่คือประโยชน์อันเลิศประเสริฐที่สุดที่พระพุทธศาสนาสามารถมอบให้กับพวกเราได้ แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องไปรับด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนเท่านั้นถ้าเราศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมแล้วและเราไม่ปฏิบัติผลอันเลิศอันประเสริฐก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ศึกษาเราก็อาจจะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกก็จะไม่ได้รับผลเช่นเดียวกันแทนที่จะได้รับประโยชน์ อาจจะกลับได้รับโทษแทนก็ได้เพราะปฏิบัติไม่ถูกทางดังนั้นถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเราก็ต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะต่างๆเมื่อเรารู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราก็นำเอาไปปฏิบัติต่อไปถ้าเรามีความสงสัยเราก็ต้องกลับมาศึกษาใหม่เนือ ไปหาผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วผ่านมาแล้วให้เขาช่วยแก้ปัญหาของเราต่อไปอย่าปฏิบัติแบบไม่มีครูบาอาจารย์เพราะโอกาสที่จะหลงทางนี้มีมากเพียงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาตักโตรปรโ้ประโยชน์สุขอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้แก่พวกเหล่านี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิิจพิจารณาและปฏิบัติ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 โดยทั่วหน้าการเธอ